เรื่องอัฐบริขารในอาคารพิพิธภัณฑ์เราทราบกันมาแล้วว่าท่านพระอาจารย์มั่นทรงผ้าสามผืนเป็นวัดทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดแต่สามปีสุดท้ายท่านทรงผ้าขหาปฏิจีวรโดยการ น, นำมาทอดกระถินของในวันนางทองสุขขามานามูลชาวนครราชสีมา นำสนับสนุนโดยพระอาจารย์สิงหคันตยาขโมสิทธิ์องค์สําคัญรูปหนึ่งของท่านแต่ท่านพระอาจารย์ได้รับเป็นผ้าปาทั้งหมดอัฐาบริการนอาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสสกลนครที่ท่านทั้งหลายเห็นนั้นเป็นภากระหปฏิจีวรปีที่สองที่ท่านทรงผูเล่าคือหลวงตาทองคําได้เก็บรักษาไว้ ส่วนภากห h ปฏิจีวรปีสุดท้ายผมถวายไปพร้อมกับร่างของท่านส่วนบาทใบแท้พระอาจารย์มหาทองสุขขอถวายพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโลส่วนใบที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นบาทกะถินปีสุดท้ายซึ่งท่านพระอาจารย์ไม่ได้ใช้เพราะท่านอาภาษหนักแล้วหมายเหตุ ข้อนี้ตรงกับความเห็นของหลวงปู่ล่าเขมมา ป, ปโตดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือประวัติหลวงปู่ล่าซึ่งท่านเด็กล่าวว่าบาทในพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่บาทใบจริงที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยใช้หลังจากเก็บรวบรวมอัฐบริคารเรียบร้อยแล้วผู้เล่าเลยสั่งต่อตู้เงินไม่พอได้คุณวิเศษ ช่วยจนสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาตั้งไว้ใกล้หีบศพท่านท่านพระอาจารย์เป็นผู้เคร่งในเรื่องบริคารมากน้อยจริงๆบริการแท้จริงให้สองคนถือขึ้นไปก็หมดที่เห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้นคืออัฐบริการที่สานุสิทธิ์และบุคคลผู้เลื่อมใสได้รับไปจากท่านพอมีอาคารพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นท่านเหล่านั้น ได้นำมามอบให้เพื่อให้ศาสนิกชนและอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา